ข้อความในมหาปริณิพานสูตรอปริหานิยธรรมหมดหกข้อเจ็ดสิบห้าหน้าสองร้อยสี่สิบห้าซึ่งช่วงนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะปรารถถึงธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเจริญอย่างเดียวโดยที่ไม่เสื่อมหรือว่าธรรมะที่ทำความเจริญไม่ให้เสื่อมปฏิบัติตามนี้เจริญอย่างเดียว หาความเสื่อมไม่ได้ก็มีแต่ความเจริญนั่นเองเรียกว่าอปราอาาาอปริหานิยธรรมดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตถาคตจักแสดงอปปริหานิยธรรมธรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญหาความเสื่อมไม่ได้หประการอีกหมวดหนึ่งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงทำเอาไว้ในใจให้ดีตถาคตจะ ก, กล่าวพิสูุนเหล่านั้นก็กราบทูลรับว่าพร้อมแล้วพระเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระดารัสดังต่อไปนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายยังจะเข้าไปตั้งกายกรรมแ่รวตั้งกายกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ในที่รับตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ แรีว่เข้าไปตั้งกายกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาเนี่ยนะทั้งต่อหน้าและรับหลังในผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ดูการเพิกศุนทั้งหลายและเพิกศูทั้งหลายยังจะเข้าไปตั้งวจีกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาในเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่รับทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยนะตลอดการเพียงไรเพิกศูทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ ดูการพิสษุทั้งหลายและพิสูุทั้งหลายยังจะเข้าไปตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนสะพรมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังตลอดการเพียงไรพิกษุทั้งหลายเพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ที่แจ้งไม่ที่รับไม่ใช่ว่าไปแหมไปปิดห้องแล้วก็เจริญไม่ในหมายคขาว่าอย่างนั้นหมายคขาว่าเจริญทั้งต่อหน้าและรับหลังนะนะ เจริญเมตตากายกรรมต่อหน้าและรับหลังเจริญเมตตาวจีกรรมต่อหน้ารับหลังเจริญเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังในเพื่อนสะพรหมจันทร์ทั้งหลายคือรูปผู้ร่วมประพฤติพรหมจันทร์เนี่ยนะก็เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมก็เป็น3ข้อละข้อที่ต่อไปข้อสี่ดูความพิสูจนทั้งหลายและพิสูจน์ทั้งหลายยังจัะเป็นผู้บริโภคปัจจัยที่แบ่งปันกันโดยลาบ ทั้งหลายเนี่ยนะคือแบ่งปันกันอาศัยลาบ ท, ลาทั้งหลายที่เกิดขึ้นโดยชอบธรำหมายค่าว่ามีปัจจัยสี่ น, นะได้รับปัจจัย4ี่ก็แบ่งกันแบ่งกันใช้แบ่งกันฉันเนี่ยนะที่ได้มาโดยชอบธรรมโดยที่สุดแม้เพียงพิษสาร น, นับเนื่องในบาทคืออาหารที่ไปบินทบาทมาก็แบ่งกันฉันเป็นผู้บริโภคร่วมกันกับเพื่อนพรหมจรีผู้มีศีลตลอดการเพียงไรพริกษสุดทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ คือเป็นผู้ที่เฉลี่ยแบ่งปันกันในการใช้ปัจจัย4่ทั้งหลายนะถ้ายังแบ่งปันกันในการบริโภคปัจจัย4อย่างนี้ก็เจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมนี้ได้แต่ถ้าหากว่าเริ่มมีการอะไรนะปกปิดอีกฝ่ายหนึ่งได้มากอีกฝ่ายหนึ่งได้น้อยไม่มีการเฉลี่ยไม่มีการแบ่งปันกันเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งความน้อยใจนะอีกคนหนึ่งได้มากอีกคนหนึ่งได้น้อยอีกคนหนึ่งก็ดีใจอีกคนหนึ่งก็เสียใจ ข้อหดูความพิสูุทั้งหลายและศีลทั้งหลายที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยวินยูชนคือผู้รู้สรรเสริญตันหาและทิฐิไม่แปดเปื้อนไม่ฉาบทาเป็นศีลที่นําไปสู่สมาธิหรือเป็นศีลที่เป็นบาทแห่งสมาธิภิสษุทั้งหลายยังจับถึงความเป็นผู้เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายอยู่ในศีลเห็นปานนั้นทั้งต่อหน้าและรับหลังตลอดการเพียงไรพิสูจทั้งหลาย เพิ่งหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้กรรมมีศีลเสมอกันตลอดเนี่ยนะข้อหดูความพิสูจนทั้งหลายและทิฏฐิที่เป็นอริยะเนี่ยนะทิฏฐิที่เป็นอริยะก็คือกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐิมัคคะสัมมาทิฏฐิมีโสดาปติมักเป็นต้นเนี่ยนะเป็นทิฏฐิที่เป็นอริยะเป็นเครื่องนําออกจากทุกข เพกษูทั้งหลายยังจักถึงความเป็นผู้เสมอการกับเพื่อนพรหมจารีด้วยทิฏฐิเห็นป่านนั้นทั้งต่อหน้าและลับหลังเป็นทิฏฐิที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ทั้งปวงของผู้ปฏิบัติตามนั้นตลอดการเพียงไรเพกสูทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ลูการเพศสูตทั้งหลายก็อปิริหานิยธรรมหกประการเหล่านี้ถ้าที่อื่นเขาเรียกว่าสารานิยธรรมหกประการ สารานิยธรรมแปลว่าทำที่เป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกันแต่ตรงนี้ยกเรียกว่าอภริหานิยธรรมแปลว่าทำที่ไม่เสื่อมถ้าที่อื่นบอกว่าทมเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกันถ้าหากว่ายังปฏิบัติอยู่ในอปริหานิยธรรมอยู่อย่างนี้และพิสูจทั้งหลายยังจักเห็นดีร่วมกันคือคือ ยินดีด้วยกันมีความรู้มีความเข้าใจมีทัศนคติเสมอกันว่าถ้าทุกคนดํารงอยู่ด้วยอปริหารนิยธรรมทั้ง6ประการเหล่านี้คือทุกคนเนี่ยปฏิบัติอยู่ในอปริหารนิยธรรมยกย่องชมเชยเห็นด้วยกับการปฏิบัติตามนี้ตลอดการเพียงไรพิสูุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวฮะความเสื่อมไม่ได้ชนนี้แหละก็ถือว่าเป็นหลักในการใช้ชีวิตสังคมเนี่ยนะชีวิตของสังคมทั้งหลาย ถ้ามีการปฏิบัติอยู่ในอัปบริหารนิยธรรมอยู่ในสังคมใดสังคมนั้นสังคมนั้นไม่เสื่อมแน่นอนอันนี้รับรองได้รับประกันได้เลยว่าเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมแต่ที่มีความเสื่อมนี้ก็คือเนื่องจากขาดอัปบริหารนิยธรรมหกประการซึ่งพระพิสูจ์ทั้งหลายที่ทะเลาะเบาแวงกันถึงในที่สุดถึงกระทำทำให้อะไรนะสังแทบจะสังคเภทสังคาราชี ความร้าวรานแห่งสง์หรือว่าหมู่สงทั้งหลายขาดความสมักสมานสามัคคีปลองดองก็เนื่องจากว่าหข้อนี้แหละขาด ข, ด, ข ด, ข ด, ขดข้อใดข้อหนึ่งหรือมีปัญหาข้อใดข้อหนึ่งหรือมีปัญหาหลายๆข้อก็เป็นที่มาแห่งความแตกแยกนะก็ดูนะว่าขาดเมตตากายกรรมต่อกันขาดเมตตาวาจีกรรมต่อกันขาดเมตตามโนกรรมต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลังเรียกว่าแห่งแรงกันดารเมตตาประกัน กันดารเมตตาทาั้งทางกายวาจาและใจเนี่ยนะใจที่แห้งแล้งบริพกได้ปัจจัยมาก็แอบบแอบบซ่อนเร้นเนี่ยนะบกปิดปิดบงังอีกฝ่ายหนึ่งมีมากนะอย่างที่มีโยมคนหนึ่งนะเขาเคยบวชพระเข้าไปวัดแห่งหนึ่งเล่า ว, ว่าผู้ที่เป็นอาจารย์อยู่หัวหน้าโตเนี่ยนะหัวอาหารเต็มโต๊ะไปหมดเลย ส่วนไอ้พระที่อยู่ท้ายสุดเนี่ยแทบไม่มีจะฉันเขาบกงั้นไอ้ที่เดียวกันนั่นแหละอยู่ใกล้กันนั่นแหละมันก็บอกว่าพระยมอมคนนี้เขาบอกเขาน้อยใจเขาเกลียดระรูปนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาบกันเพราะโทษฐานไม่แบ่งอาหารให้เขาฉันนั่นก็จะลืมว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีฐานมากอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีฐานไม่มีรับประทานเป็นต้นเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความมันไส้มากเลยนะเขาบอกว่าเออเรื่องอย่างนี้ก็มีเนี่ยนะหรือก็มีอีกที่หนึ่ง พระพรรษามากตักอาหารก่อนพระพรรษาน้อยได้แต่อาหารที่ตัวเองไม่ค่อยชอบนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีอาหารมันมีแต่ว่าเหลือแต่ชนิดที่ตัวเองไม่ค่อยชอบกลายเป็นว่าที่มาของปัญหาเนี่ยนะที่มาของปัญหาบอกว่าทะเลาะ ก, กันเพราะข้าวทับพีเดียวกันหรือเรื่องศีลเนี่ยนะเรียกว่าอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตัวที่กินแหนงแคลงใจซึ่งกันและกันเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งการ รังเกียจเดียดฉันซึ่งกันและกันอันนี้เกี่ยวกับเรื่องศีลแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือทิฏฐิไม่เสมอกันนะมีความเห็นที่ขัดแย้งกันในในหลักการเล่ห์อย่างด้วยกันเรียกว่านโยบายทิศทางไม่เหมือนกันคือไม่ได้ถือเอาสัมมาทิฏฐิตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันก็มีปัญหาปัญหาทุกๆองค์กรยนะจะว่าองค์กรทางาศาสนาเรา พระพิษุทธิ์พุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ใดที่มีการแตกแยกขาดความสมัครสมานสามคัคคีขาดการปรองดองกันเนี่ยนะตรวจดูเลยเนี่ยอยู่หนึ่งในหนั่นแหละนะหนึ่งในหข้อข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนะบางทีก็ข้ อ, 2, ขอสองก็สําคัญเหมือนกันเนี่ยนะบางช่างยุบางช่างแย่แย่ไปแย่มาก็เลยได้ทั้งหลายโกกเลยอย่างเงี้ยนะแปลว่พาพวกสร้างความร้าวรานให้ มันผู้กลุ่มใดที่ขาดเมตตาทั้งกายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมต่อหน้ารับหลังโดยมากร้าวรานกันแต่บางทีก็บอกยังอยู่ร่วมกันทำไมยังอยู่ร่วมกันมันมีผลประโยชน์บางตัวที่ยังยังเข้ากันได้พันแต่ถ้าผลประโยชน์ชิ้นสุดท้ายหลุดมือเมื่อไห ร, ร่ก็ว่าโหจากกันไปแบบชนิดที่วไม่ต้องเจอกันใหม่ก็ไม่เป็นไรว่า ง, งั้นนันพวกนี้ถ้าหากว่ากลุ่มใดก็ตาม ขาดเมตตากายกรรมขาดเมตตาวจีกรรมขาดเมตตามนโนกรรมหรือว่าปัจจัยทั้งหลายก็ไอฝ่ายที่ได้เยอะกปเยอะไปอีกฝ่ายที่กันดารขาดแคลนก็ขาดแคลนไปศีนทั้งหลายก็ไม่เสมอกันความเห็นก็ยิ่งไม่เหมือนกันเลยถ้าอย่างนี้ก็อนะองค์กรนั้นเตรียมยุบได้เลยคือว่าเตรียมลบบัญชีออกจากชื่อในโลกคือว่าเตรียมลบชื่อออกจากอะไรนะ จากแผนผังทั้งหลายได้เลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีความสมัคคีสมัครสมานปรองรองกันอยู่แล้วในคุณธรรมทั้ง6ข้อเนี่ยนะเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธารณโภคีมีศีลและทิฏฐิเสมอกันทั้ง6ประการอันนี้เนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสมักสมาสามคัครคีและก็ปรองรองกัน คำอธิบายโดยลำดับในสารนิยธรรมหรืออริหานิยธรรมในหน้าสา8รอห้าสิบแดบทว่าเมตตังกายกรรมมัง ว, ว่าเมตตากายกรรมเนี่ยนะหมายถึงกายกรรมที่ทำด้วยเมตตาจิตหรือว่ากายกรรมที่มีเมตตาจิตเป็นสมุทฐานเมตตาจิตนะก็บอกว่ากายนี่ก็ไปเรื่องกายใชนะ่กายนี่มีเมตตาเป็นสมุดฐานเป็นประทัดฐานเป็นเหตุใกล้ พันกายกรรมเหล่าใดที่มีเมตตาเป็นสมุทฐานนั้นเขาเรียกว่าเมตตากายกรรมในกรรมทั้งสามนี้นสามารถจะหมายคือว่าเป็นพระภิกษุก็ใช้ได้เป็นคารวะก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะ ไ, ไม่ได้สาธารณะหรื อ, รร อ, อจํากัดเอาไว้เฉพาะหมู่ภิกษุเท่านั้นในเรื่องของเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลัง จริงอยู่สําหรับเราภิกษุการบําเพ็ญธรรมะคืออภิสมาจา ร, ริกะอภิสมาจาร์เนี่ยนะคระับพฤติวัดปฏิบัติทั้งหลายด้วยเมตตาจิตเชื่อว่าเมตตากายกรรมอย่างเช่นพระภิกษุทั้งหลายไปอุปถากครูอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะเข้าไปปรนนิบัติเข้าไปรับใช้เข้าไปดูแลเนี่ยนะเข้าไปดูแลปัดกวาดเช็ดถูดูแลเสนาสนะให้ท่านดูแลผ้าเป็นต้น น, นะนะ เรื่องซักผ้าเรื่องย้อมผ้าเรื่องอดูแลปัดกวาดเช็ดถูที่อยู่ที่อาศัยท่านไม่สบายก็คอยดูแลอุปถัมภ์ท้างหลายเนี่ยนะทำ ถ, ถ้าทําด้วยเมตตาเนี่ยนะมันก็กิริยาที่เรียกว่าทําแบบไม่เสแสร้งใชแต่ถ้าทําด้วยขาดเมตตามจะเป็นยังไงบอันนะอย่างพระบางองค์เนี่ยนะบอกว่าไม่ต้องมาช่วยผมหรอกนะเพราะไม่ช่วยผมมีความสุขกว่าเยอะเนี่ยนะถ้านะท่านมาช่วยผมลายเดือดร้อนไปเลยเพราะอะไรเพราะอีกฝ่ายหนึ่งทําแบบ ไม่มีความรับผิดชอบไม่ได้มีเมตตากับอีกฝ่ายหนึ่งเลยและอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยนะมีความรู้สึกว่าไม่จําเป็นจะต้องมีคนมาคอยช่วยเหลือยิ่งคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะถ้าหากว่าเขาไม่มีความเคารพไม่มีความเรียกว่าเขาไม่มีเมตตาต่อครูอาจารย์เลยเนี่ยนะครูอาจารย์ก็ไม่รู้จะแนะนําสั่งสอนตรงไหนเหมือนกัน mm hmm. คือเขาไม่เข้ามาเอื้อเฟื้อเลยเนี่ยนะ เพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าครูบาอาจารย์เนี่ยต้องการแค่อุปถากเป็นต้นไหมบอกถ้าท่านต้องการแค่อุปถากต้องการแค่คนโปรนิบัติรับใช้เนี่ยนะท่านไม่ได้บวชอยู่นานอะไรขนาดนั้นหรอกท่านไม่สามารถที่จ ะ, ะประพฤติกุศลธรรมทั้งหลายได้เน่ น, นานขนาดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นที่ท่านเอื้อเฟื้อคนอื่นเนี่ยนะสงเคราะหะ์ที่เราเรียกกันว่าลูกศิษย์เป็นต้นก็ด้วยเมตตาด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีแต่ถ้าเขาไม่มีเมตตาต่อท่านเลยเนี่ยนะ ท่านก็บอกว่าท่านก็เดือดร้อนเน่ยกลายเป็นว่ามันเป็นภาระใหญ่มากๆเลยเป็นภาระมากมั้นท่านเหล่านั้นก็จะไม่ไม่ไม่ยินดีที่จะสงเคราะห์เนี่ยนะเพราะท่านถือว่ากุศลธรรมท่านลดลงกุศลจิตท่านลดลงกลายเป็นว่าเอ่อไปสร้างภาระใหม่ๆให้ท่านเนี่ยนะเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นภาระก็กลายเป็นภาระท่านท่านเหล่านี้ก็จะไม่ค่อยดูเหมือนท่านจะขาดความเอื้อเฟื้อดูเหมือนว่าท่านจะขาด เมตตาแต่จริงๆแล้วบางทีแล้วคนที่เข้าไปปรนิบัติคนที่พาไปอุปถัมเนี่ยตัวเองขาดเมตตาต่อท่านซะ ก, ก่อนเนี่ยนะคือขาดเมตตาต่อท่านไม่ได้เข้าไปจริงใจต่อท่านเลยคลายเป็นว่าะจะไปเอาอะไรของอาจารย์ได้บ้างเนี่ยนะอาจารย์มีอะไรจะแบ่งให้บ้างวันนี้พออาจารย์ไม่มีของแบ่งให้ก็ปลายเป็นว่าหน้าหงิกหน้างอกลับมาเลยเนี่ยคือซึ่งลักษณะนี้ก็มีอยู่เพรันธ์ก็เนื่องจากอะไรเนื่องจากขาดเมตตาเข้าไปปรนิบัติเข้าไปรับใช้ บางทีก็ไปดูแลเรื่องอุปทาคเรื่องภาชนะเรื่องบาตเรื่องอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยก็มีปัญหาก็ขาดเนื่องจากว่าจริ ง, รงๆแล้วก็คือขาดเมตตาที่ชาเราใช้คําว่าขาดความรับผิดชอบขาดความเอื้อเฟื้อเนี่ยนะแล้วก็ไม่พยายามที่จะปรับตัวเข้าไปหาครูบาอาจารย์เป็นต้นอันนี้แหละเรียกว่าขาดเมตตากายกรรมต่อครูอาจารย์ทั้นถ้าผู้ที่ขาดเมตตาเนี่ยนะอาจารย์ทั้งหลายก็แนะนําอยู่สอนอยู่แต่ท่านจะไม่ทน นะท่านจะไม่ทนเหมือนกับพ่อแม่นะคือคือผู้ที่เป็นพระเนี่ยจะไม่เหมือนกับพ่อแม่